สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าคลิปนี้เราก็มาตามรอยหลวงพ่อ ก, กวยกันต่อนะครับกับหนังสือเรื่องเล่าเคล้าปฏิหารโดยคนขลังคลังวิชาของคุณตรายพนนท์สมบูรณ์เจ้าของเพจคนขลังคลั ง, งวิชาที่มีความรู้เกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์มากมายรวมทั้งเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษให้ได้เข้าไปศึกษากันครับและจากที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับพระอริยะสงฆ์ก็เกิดข้อผิดพลาดเช่นย้ายวัดที่ท่านบ้างออกเสียงชื่ออําเภอผิดไปบ้างออกเสียงคําผิดไปอีก ในช่วงหลังนี้ก็พูดเร็วก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับจะพยายามป ร, ปรับปรุงแก้ไขนะครับเอาล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตามรอยหลวงพ่อกลวยกันต่อเลยดีกว่าครับครั้งนี้เราจะไปตามหาครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรพพวิชาให้กับท่านนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับพระอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรพพวิชาต่างๆให้หลวงพ่อนั้นมีทั้งพระสงฆ์และคารวะหลวงพ่อท่านฝากตัวเรียนวิชาทั้งสิ้นหากท่านผู้นั้นมีอาคมเก่งกาจประจักษ์จริง ครูอาจารย์บางท่านหลวงพ่อท่านไม่ทันได้พบเจอเป็นเพียงได้เรียนรู้ตำรามามีความเคารวนับถือเป็นครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อเท่าวัดข้งเขาเป็นพระเถระยุคเก่าที่หลวงพ่อคารวนับถือมากเมื่อหลวงพ่อหันมาสนใจศึกษาสายเวทวิทยาคุณท่านได้ฝากตัวขอศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อปาวัดโบสถ์พระอาจารย์คู่สวดของท่านเป็นองค์แรกต่อมาท่านได้ฝากตัวกับพระอาจารย์สําคัญรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีคือหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา ท่ยังได้เข้าเรียนในสำนักสงฆ์ของหลวงปู่เสววัดพระพรางพระอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองสิงห์บุรีมีสิทธิ์ร่วมสำนักที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาหลายท่านเช่นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเชนวัดสิงห์หลวงพ่อรําวัดวังจิกต่อมาท่านเดินเท้าไปขอเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพช่วงเวลาที่ท่านเดินทางไปเรียนวิชาในช่วงนี้หลวงทอดแย้มทับสิทธ์ของท่านได้ร่วมเดินทางไปด้วยรายน้ําของครูบาอาจารย์จากการรวบรวมมีดังนี้ หหลวงพ่อปาวัดโบสถหลวงพ่อปาวัดโบสตําบลโพงามอํมเภอสันคบุเรจังหวัดชัยนาทจากบันทึกของตกลิ่นสิทธิของหลวงพ่อป่ากล่าวว่าพื้นเพเดิมท่านเป็นคนเดินบางนางบวชเป็นบุตรโทนไม่มีพี่น้องโยมบิดาชื่ออินพูนทองโยมบานดาชื่อเปี่ยมพูนทองเริ่มศึกษาอักษรสมัยกับหนังสือจากพระอาจารย์วัดเดิมบางนางบวชเมื่อเจริญวัยได้เข้าอุปสมบทในพัธสีมาวัดเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี พระวินัยเป็นพระอุปัชฌาย์พระทธิการหลงเป็นพระกรรมวาจารย์พระแดงพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วศึกษาข้อวัดปฏิบัติตลอดจนตรายศึกขาแตากฉานดีแล้วหลวงพ่อปลาตัดสินใจออกธุดงเพื่อฝึกฝนอบรมจิตและเสาบหาครูบาอาจารย์ผู้เจียนจบในวิชาการต่างๆหลวงพ่อปลาท่านทราบเรื่องราวของถ้ำลี้ลับแห่งหนึ่งชื่อถ้ำบัวแดงตั้งอยู่ในป่าลึกสิงสารสัตว์มากมาย ซึ่ถ้ำแห่งนี้ผู้คนร่ำลือว่ามีอาถรรพ์ลี้ลับคล้ายเมืองลับ แ, แลผู้มีบุญวา ส, สนาจึงผ่านเข้าไปได้หลวงพ่อป่าท่านตั้งใจแน่วแน่ต้องไปให้ถึงถ้ำแห่งนี้เมื่อหลวงพ่อป่าบุก ป, ป่าฝ่าดงถึงถ้ำวัวแดงสําเร็จพุทธฒผู้แก่เล่าเนื้อความช่วงนี้ว่าเมื่อหลวงพ่อปาถึงถ้ำวัวแดงท่านได้พบพระภิกษุชราผู้ลี้ลับผู้เรืองอาคมท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระสงฆ์ลึกลับอยู่หลายปีในมุมของผู้เขียนพระชรารูปนั้นอาจจะเป็นหลวงปู่โลกอุดร ภายหลังท่านนําวิชาความรู้ออกมาช่วยเหลือผู้คนหลวงพ่อปาวัดโบสถ์ท่านนี้เป็นทั้งพระคู่สวดและเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาเช่นการลงอักขระเลขยันตวิชาทางหล่อหลอมโลหะการลบถมอักขระเลขยันตวิชาทางเมตตามหานิยมและอีกมากมายหลวงพ่อป่าท่านนี้หาใช่เพียงพระหลวงตาธรรมดาดังรูปภายนอกท่านเป็นอีกหนึ่งพระคณาจารย์ผู้เรืองอาคมแห่งเมืองสันคบุรีเพียงแต่ท่านชอบเก็บตัวไม่ยุ่งสูงสิงกับใครไม่ชอบออกงาน หลวงพ่อปาท่านนี้เชื่อว่าต้องบรรลุคุณธรรมวิเศษสอบถามผู้อาวุโสในบริเวณใกล้เคียงทราบว่าหากใครเคยไปวัดโบสถ์สมัยที่หลวงพ่อปายังครองสังขารอยู่จะเห็นว่ามีสัตว์น้อยใหญ่ที่หลวงพ่อปลานำมาอนุเคราะห์เลี้ยงดูท่านเมตตาสัตว์เหล่านั้นไม่เคยรังเกียดหรือทุบตีให้เจ็บช้ำเลี้ยงดูอย่างดีด้วยเมตตาเสมอกันทั้งเส้นน่าแปลกที่สัตว์เหล่านั้นอยู่รวมกันได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ว่ากันว่าในทุกวันหลวงพ่อปลาจะเสกข้าวให้สัตว์ทุกตัวกิน แม้ปลาที่ท่านเลี้ยงไว้ยังเรียกให้ไหว้น้ำมหาได้ดังฟังความรู้เรื่องหลวงพ่อป่าเคยสร้างวัตถุมงคลเป็นพระเครื่องเนื้อตะกั่วและพระเนื้อดินเป็นของดีมากประสบการณผูกคนในพื้นที่ต่างทราบดีในคุณวิเศษภายหลังท่านมรณภาพมีการสร้างเหรียญรูปเหมือนพระแจกบนที่ระลึกในงานถวายเพลิงระบุที่เหรียญเมื่อปีพุทธศักราช2478เหรียญรุ่นนี้ได้ขอบา ร, รมีพระเถราจารย์ในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยปลุกเสกให้เช่นหลวงปู่ศรีวัดพระกลาง หลวงพ่อโตวัดวิหารทองเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อกวยไม่ได้ปลุกเสกหญิงที่เข้าใจกันด้วยในปีพุทธศักราช2478หลวงพ่อกวยท่านผู้บวชได้ราว10พรรษาเท่านั้นสอบถามคนรุ่นเก่าต่างยืนยันว่าหลวงพ่อกวยไม่ได้เสกย่างแน่นอนภายหลังทางวัดโบสถ์ยังได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นหลายแบบเช่นเหรียญรูปเหมือนและภาพถ่ายหลวงพ่อปาสร้างในราวพุทธศักราช2517และยังจัดสร้างอีกหลายคราว วัตถุมงคลของหลวงพ่อปารุ่นดังกล่าวนี้หลวงพ่อกวยปลุกเสกอย่างเต็มที่เพื่อร ล, ลึกคุณอาจารย์ส่วนภาพถ่ายหลวงพ่อปลาขนาดเล็กเท่าที่พบมาด้านหลังลวงาคา่ายกลด้วยลายมือหลวงพ่อกวยจะเป็นของดีวิเศษหายากในปัจจุบันถือว่าเป็นอาจารย์ท่านแรกของหลวงพ่อกวยไปต่อกันที่ท่านอาจารย์ท่านต่อไป 2. หลวงปู่ศรีวิริยะโสพิษวัดพระปรางหลวงปู่ศรีวิริยะโสพิษอดีตเจ้า ว, วาดวัดพระปรางอำเภอบางระจรันจังหวัดสิงห์บุรี หลวงปู่ศรีท่านเป็นยอดพระเถราจารย์แห่งเมืองคนกล้าคนจริงสิงห์บุรีว่ากันว่าท่านเป็นผู้มากทัานบุญจริตอิทธิฤทธิ์หลวงปู่ศรีท่านเป็นชาวอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราชสองพท่านเชี่ยวชาญทางสายเวทสิ่งดีลับมาต่ยาวไวทั้งเป็นคนใจจริงไม่เกรงกลัวอะไรเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเมื่ออายุครบบวชได้เข้าอุปสมบทณวัดโบสถ์อำเภอวิเศษชัยชาญโดยมีพระอาจารย์มินวัดโบสถเป็นพระอุปชัชฌาย์ ท่านตั้งใจฝึกฝนมิปั ส, สนากนรรมฐานจนเชี่ยวชาญได้เดินทางไปฝากตัวเป็นเศษหลวงพ่อไกรวัดใหญ่ท่าฉนวนอำเภอมโนโรมจังหวัดชัยนาทภายหลังมาอยู่จำพันษาที่วัดพระปรางคนเก่าแก่เล่าสืบมาว่าหลวงปู่ศีท่านสําเร็จจิตชั้นสูงสามารถพูดคุยติดต่อกับเหล่าวิ ญ, ญญาณได้สมัยท่านสร้างโบสถ์ท่านรู้ว่าชาวบ้านส่วนมากยากจนหลวงปู่ท่านเกรงใจสงสารชาวบ้านและท่านคงทราบว่าในดินมีทรัพย์สินอยู่ท่านติดต่อกับวิญ ญ, ญาณเจ้าทรัพย์ที่เขาเรียกว่าปู่โสม ได้ทรพัพที่ฝังดินไร้ค่าเหล่านั้นมาทําประโยชน์ท่านในสิทธิ์ไปแตะตะกิ้เขียทรัพย์ที่คูน้ําเล็กข้างวัดปรากฏว่ามีเหรียญเงินโบราณจํานวนไม่น้อยผุดขึ้นมาท่านนาเหรียญเงินเหล่านี้ไปแปลเป็นปัจจัยมาสร้างโบสถ์เมืชาบ้านทราบข่าวท่านเรขยทรัพย์ได้จึงพากันมาร่วมสร้างโบสถ์มากมายวัตถุมงคลของหลวงปู่ศีท่านสร้างไว้ไม่มากมีตะกรุดไม้รวกในวงเล็บมหาอุดตะกรุดเงินประเภทผ้ายันโดยมากเขียนมือเช่นผ่ายันมงกุฎพระพุทธเจ้า ยันกันภัย8ทิศท่านปลูกเศกเรียนไว้หนึ่งรุ่นเป็นทรงพุ่มเข้าบินปัจจุบันราคาสูงมากหลวงปู่เสและสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2445สิริอายุ72ปี5 2พ0 0ษาก่อนมรณาภาพท่านบอกวันเวลาไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อมรณาภาพเกิดอัศจรรย์ดวงดาวปรากฏขึ้นตอนกลางวันหลวงพ่อเกวยท่านฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิชาวิปัสสนากนรรมฐานเพิ่มเติมเนื่องจากสำนักวัดพระปรางสมัยนั้นมีชื่อเสียงมาก เห็นได้จากภายหลังสิทธิสำนักนี้หลายคนได้รับความเคารวบนับถือเป็นพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณรอบรู้วิชาวิปัสสนากรรมฐานเช่นหลวงพ่อทองวัดพระกลางหลวงพ่อร่ําวัดวังจิกหลวงพ่อเชนวัดสิงห์หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อเฟื่องวัดแหลมคางหลวงพ่อเย็นวัดสะเปรียนหลวงปู่ปรงวัดธรรมเจดีสิทธิหลวงปู่สีองค์ที่จัดไว้ดังสุดๆเป็นย่อเกจิอาจารย์เมืองสิงห์เลยคือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง ต่างประเทศขึ้นท่านมากพากันมาคราวหนึ่ ง, งเป็นคันรถทัวคนก็มากมายวัดท่านเจริญใหญ่โตเห็นแล้วชื่นใจมากส่วนหลวงพ่อกวยเรื่องความเก่งตัดสินไม่ได้แต่ท่านก็ดังเหมือนกันดังมากคนเขารักเคารพท่านพระท่านรักศิษย์มากเหมือนพ่อรักลูกท่านไม่ทิ้งเขาคอยช่วยเหลือสุดความสามารถพวกคนจึงเทิดทูนท่านมีเกรดเพิ่มเติ ม, เ, ตมเกี่ยวกับการเรียนในสำนักวัดพระปรางหลวงพ่อเคยเล่า ว, ว่าหลวงปู่ศรีสอนศิษย์ทุกคนให้เสกผ้าสังฆติ เมื่อทำวัดสวดมนต์ต้องเสกผ้าสังฆิทุกวันเพื่อไว้คุ้มกันตัวไม่ว่าไปไหนต้องนําผ้าสังฆิเสกนี้ไปด้วยเสมอผ้าสังฆิที่หลวงพ่อใช้คู่กายมาตลอดคือผ้าผืนแรกเป็นผ้าที่ท่านใช้มาตั้งแต่ครั้งเข้าเรียนในสันนักวัดพระปรางนั่นเองท่านใช้ผ้าสังฆิผืนเดียวนี้มาจนบรรนปลายของชีวิตการเรียนในสันนักนี้สิทธ์ร่วมรื่นกับท่านมีดังได้กล่าวไปแล้วเห็นมีอยู่3ามรูปที่ศึกออกไปแล้วกลับมาบวชใหม่ภายหลังคือหลวงปู่เย็นวัดสะปเปรียน หลวงพ่อเจ้ยวัดห้วยเจริญสุขหลวงพ่อปรงวัดธรรมเจดีทั้ง3ท่านนี้ศึกออกไปครองเพศคารวาสอยู่ระยะหนึ่งต่อมาในช่วงปลายอายุได้กลับมาอุปสมบทอีกครั้งภายหลังมาขอทบทวนและต่อวิชากับหลวงพ่อกลวยทั้งนี้ยังได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากลุงสุรินปานน้อยให้ข้อมูลว่าช่วงที่หลวงพ่อขอเรียนวิชากับหลวงปู่เสีหลวงพ่อเล่าให้ลุงสุรินฟังว่าหลวงปู่เสีท่านขอกับท่านว่าหากอยากเรียนวิชอ ตัวท่านก็ยินดีสอนให้หมดภูมิไม่ปิดบังมีข้อแม้เพียงว่าเมื่อเรียนวิชาจากท่านไปแล้วห้ามศึกตลอดชีวิตหากทําได้ท่านจะสอนวิชาให้ทันทีซึ่งหากทําไม่ได้ก็ถือว่าหมดวาสนาต่อกันหลวงปู่ศรีให้เวลาหลวงพ่อนอนคิดหนึ่งคืนแล้วค่อยมาตอบท่านเมื่อท่านตัดสินใจมั่นว่าจะไม่ศึกแน่จึงให้สัจจะ ก, กับหลวงปู่ศรีแต่จึงยอมถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับหลวงพ่อโดยไม่ปิดบัง ทราบว่ามีศิษย์อยู่เพียงสองรูปที่หลวงปู่ศีเอป่ากขอยสด็จนี้มีหลวงพ่อแพ้กับหลวงพ่อกลวยเท่านั้นเข้าใจว่าท่านคงทราบได้ยาณวิถีว่าศิษย์ทั้งสองต่อไปจะได้เป็นหลักในพระศาสนาเป็นแน่หลวงพ่อกลวยท่านถือสัก จ, จ้มั่นคงครองตนอยู่ในสมณเพศตราบจนวาระสุดท้ายการไปเรียนวิชากับหลวงปู่สีนี้หลวงพ่อไม่ได้พักที่วัดพระปรางว่ากันว่าสมัยนั้นวัดพระปรางมีพระเนนจํานวนมากมาอาศัยเรียนพระปริยัตยิและเรียนวิปัสสนากรรมฐาน หลวงพ่อท่านจริงไปพักจำพรรษาอยู่วัดหนองตาแก้วอําเภอเดิมบางนางบวชโ ด, ดยใช้การเดินเท้าไปเรียนที่วัดพระกลางแบบไปกลับขณะที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วแห่งนี้ท่านได้ปลูกต้นสมอไว้หนึ่งต้นว่ากันว่าหลวงพ่อท่านลงอาถรรพ์ไว้กับต้นสมอนี้หากใครไปปัสสาวะรถต้นสมอนี้ถึงชักตาตั้งทุกรายคล้ายโดนอาถรรพ์หรือมีเทพคอยรักษาต้องมาจุดทูบขอขามาจึงจะหายเป็นปกติแมนไก่ยังไม่ยอมขึ้นไปนอนบนต้นสมอนี้เลย เคยมีคนลองจับเอาไก่แจ้ขึ้นไปให้เกาะนอนหน้าแปลกที่ไก่แจ้โดดหนีทุกครั้งไม่ยอมนอนเมื่อลองจับไก่ตัวเดิมไปเกาะต้นไม้อื่นก็นอนได้ปกติไม่โดดหนีคล้ายมันสัมผัส ร, รับรู้ในพลังลึกลับบางอย่างช่วงที่อยู่วัดหนองตาแก้วน้ําท่าขาดแคลนหลวงพ่อจึงขุดสระน้ําไว้หนึ่งสระทั้งยังได้ลงอาถรรพ์ไว้ในสระแห่งนี้สระน้นํานี้ใครไปทําศกกระปรกสงเดชไม่ได้เลยหากลงไปอาบน้ําในสระมักเกิดเหตุประหลาดต่างๆนานา บางคนพอกลับบ้านเช้ามาขี้กลากขึ้นทั้งตัวต้องมาจุดทูบขอ ข, าขามาและตักน้ำในบ่อไปอาบจึงหายหากจะอาบน้ำต้องตักน้ำไปอาบหายเจษะถึงจะไม่เป็นอะไรสระน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากจนเป็นที่เคารพจนปัจจุบันเป็นเรื่องแปลกน่าคิดว่าในเวลานั้นหลวงพ่อบวชเพียงไม่นานเพิ่งเรียนวิ ป, ปัสสนากนรรมฐานและอาคมไม่นานนักเหตุไฉไหนท่านจะหลงอาถรรพ์ที่ต้นสมอและสระน้ำได้ขลังนักเชื้อร้อยคงเป็นด้วยบุญวาสนาบารมีเก่ามาหนุนเนื่อง ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนากระทําการนั้นบังเกิดผลสูงสุดก็เป็นได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดที่เกินค้าเดาได้ถึงพรสวรรค์ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกวยท่านช่วงเวลาที่หลวงพ่อกวยจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วเราหนพรรษานี้สามารถตีความไม่เห็นถึงอัจฉริยะภาพของหลวงพ่อกวยได้ว่าท่านสามารถตเรียนวิปัสสนากรรมฐานได้สาเร็จในระยะเวลาเพียงหนึ่งพรรษาหลวงปู่เสถันคงทดสอบผลทางจิตเห็นเป็นที่พอใจแล้วจึงยอมให้กลับไปฝึกต่อได้ เสร็จร่วมสำนักเดียวกับท่านอย่างหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองอยังเคยออกปากชมทั้งนําพระเครื่องมาขอให้หลวงพ่อร่วมปลูกเสกด้วยหลวงพ่อแพรท่านเคยออกปากชมหลวงพ่อว่าเรื่องเมตตาแคล้วคลาดฉันพอได้แต่หากเรื่องเหนียวคงสยบอาวุธต้องยกให้ท่านกลวยเขาแน่นอนแสดงให้เห็นว่าแม้หลวงพ่อกลวยศึกษาจากสำนักวัดพระปรางเพียงหนึ่งพรรษาจะติเศษใกล้ชิดหลวงปู่ศรียังหลวงพ่อแพรยังออกปากชม จจุบันพระเครื่องของหลวงปู่สีโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกสร้างปีพุทธศักราช2 4ง6จ็ดะเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยความนับถือในประสบการณ์และความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเห็นได้จากไม้ยามหลวงปู่สีท่านมรรณาภาพแล้วทําการฉาพนาคิจนกยางจํานวนมากไม่ทราบ ม, มาจากไหนมาบินบนรอบเมรุ ป, ประรมพิธีเป็นทักษิณาวัดสามรอบแล้วก็จากไปทั้งยังปรากฏว่ามีดวงดาวจรัตแสงขึ้นในช่วงเวลากลางวันตอนถวายเพลิงอันผิดวิสัยธรรมชาติ คลายเทพเทวาแสดงนิมิตให้ปรากฏแม้นรูปเหมือนกับสถูปเก็บอัธิของหลวงปู่สียยังแสดงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่คารวนับถือของชาวสิงบุรีตราบจนปัจจุบันนี้ท่านที่3หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาข้อมูลของหลวงพ่ออิ่มเนธข้าพเจ้าเคยได้สอบถามจากพระอาจารย์ตีสํานักสมเขาเขียวท่านมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงพ่ออิ่มและจากข้อเขียนเก่าของท่านอาจารย์สมจิตเทียนจันทร์ทําให้ได้ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ดังนี้หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรี ชตาเมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนขึ้น4ี่ข้าเดือน7ปีจพุทธศักราชสองพเกิดที่บ้านโภพภยาอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเดิมของบิดาท่านโดยโยมบิดาท่านมีนามว่าพ่อโตเขาวเงินส่วนโยมมารดาท่านทราบว่าเป็นคนเชื้อสายเจนมีพี่น้องร่วมอุทร์ทั้งสิ้น7คนหลวงพ่ออิ่มท่านเป็นบุตรชายคนโตหลวงพ่ออิ่มท่านเป็นศิษย์สืบทอดวิชาจากหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่า ว่ากันว่าหลวงพ่ออิ่มมีพลังจิตแก่กล้าชันสมาบัติสูงส่งมากเป็นผู้ทรงคุณวิเศษนานาประการสิทธิหลวงพ่ออิ่มที่มีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องเลยมีหลวงพ่อแขกวัดหัวเขาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อกวยวัดโคสตารามหลวงพ่อปรงวัดธรรมเจดีสําหรับหลวงพ่อมุ้ยนี้มีชื่อเสียงและพลังจิตแก่กล้าอัศจรรย์มากหากกล่าวไปแล้วหลวงพ่อมุ้ยท่านเป็นศิษย์ผู้พี่หลวงพ่อกวยเมื่อมาเรียนวิชาจากหลวงพ่ออิ่ม เวลานั้นหลวงพ่อมวยท่านเรียนวิชาจนเจนจบกลับไปอยู่วัดดอนไร่ก่อนแล้วด้วยเหตุนี้ท่านทั้งสองจึงไม่ทันได้พบกันในสำนักว่าไปแล้วหลวงพ่อเกวอท่านจัดเป็นสิทธิ์นอกกล่าวคือท่านไม่ได้เริ่มต้นเรียนกรรมาฐานเบื้องต้นกับหลวงพ่ออิ่มโดยท่านเรียนวิชาวิปัสสนามาจากสำนักวัดพระปรางมาก่อนแล้วจึงมาเรียนวิชาเพิ่มจากหลวงพ่ออิ่มเช่นนี้โบราณเรียกว่าสิทธิ์นอกระวังคือมาขอต่อวิชาเท่าที่ทราบหลวงพ่อเกวอท่านเรียนวิชาสำคัญไปหลายอย่างเช่นเรียนมนต์จินดามณี และวิธีลบผงจินดามณีต่อมาหลวงพ่อเก๋อท่านยังได้สร้างพระสมเด็จขึ้นจากผงจินดามณีล้วนเป็นผงที่ท่านเขียนและลบตามตำราหลวงพ่ออิ่มสร้างขึ้นมาไม่เกินสิบองค์ต่อมาท่านนำพระนี้ไปฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์เพื่อเจริญล่าเดศคนมาช่วยสร้างมาร่วมบุญกับท่านภายหลังเมื่อวัดโคสิตตารามเจริญขึ้นแล้วท่านนึกได้ถึงพระชุดนี้จึงใช้ให้สิทธิขุดขึ้นมาปรากฏว่าพระชมฤตเสียหายเหลือพระสภาพดีเพียงองค์เดียว พระนี้ภายหลังสิทธิ์ผู้หนึ่งได้ครอบครองไว้เรียนวิชาลงอาถรรพ์วิชาลงอาถรรพ์ของหลวงพ่ออิ่มนี้เป็นวิชาที่แปลกพิสดารเห็นสมควรมาบันทึกไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้ทราบเป็นหลักฐานว่ากันว่าในสมัยหลวงพ่ออิ่มท่านยังทรงสังขารอยู่ท่านลงอาถรรพ์ไว้ภายในกุฏิของท่านเพื่อกันคุณใสความขขังของวิชาลงอาถรรพ์นี้ถึงขนาดที่แม้นแต่ยงุงหรือแมงเมาวยังไม่บินเข้าห้องท่านเลย ใครมาขอพักนอนในกุฏิหลวงพ่ออิ่มไม่ต้องกลางมุงเพราะไม่มียุงเป็นเรื่องหน้าแปลกนี้คือความขลังของหลวงพ่ออิ่มที่คนสมัยนั้นทราบกันดีวิชาการถามข่าววิชานี้เป็นวิชาแปลกพิสดารคล้ายผูกจิตสัตว์ทั้งสามารถสื่อสารสั่งงานกับสัตว์ได้หากท่านคิดถึงใครหรือปรารถนาจะไต่ถามทุกสุขของผู้ใดที่อยู่ไกลออกไปท่านจะเรียกนกอีกาให้มารับคําสั่งแล้วให้นกอีกาไปถามหรือไปตามบุคคลตามที่ท่านต้องการได้ เมอีกกาไปดูบุคคลตนที่สั่งจะกลับมาบอกท่านว่าบุคคล น, นั้นสุขทุกอย่างไรเป็นวิชาแปลกที่ท่านใช้แทนการสื่อสารในสมัยก่อนเรียนวิชามือยาววิชานี้เป็นวิชาแปลกเช่นกันทราบวาเดิมทีเป็นวิชาของพระรามะทิเบตไม่ทราบว่ลวงพ่ออิ่มท่านได้วิชานี้มาอย่างไรหรือเรียนมาจากใครแต่ท่านทําได้อย่างแน่นอนสิทธ์ท่านยืนยันในเรื่องนี้และหลวงพ่อไกวยท่านเรียนวิชานี้มาทั้งสามารถทําได้จริง วิชามือยาวนี้สามารถยืดแขนให้ยาวได้สามารถหยิบของจากที่ไกลๆหรือที่สูงๆได้สูงขนาดยอดตาญยอดมะพร้าวก็หยิบได้วิชานี้หลวงพ่อกวยท่านเคยแสดงให้สิทธิประจักษ์มาแล้วหลวงพ่ออิ่มท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายชนิดเพื่อแจกให้สาธุชนที่บริจาคปัจจัยร่วมบุญกับท่านเพื่อเป็นของขวัญภายหลังวัตถุมงคลของท่านสร้างประสบการณ์จนมีคำพูดติดปากชาวบ้านยุคนั้นว่ากำเชียนต้มเหล้าหัวเขาทำแหวนน้ำผู้เผาทาน ป่าด้านป่าแดนสมัยก่อนคนทางกำเชียนเขาต้มเหล้าขายเพระบ้านกำเชียนอยู่ใกล้ตลาดท่าช้างส่วนบ้านหัวเขาทําแหวนลือชื่อบ้านน้ําพุอยู่ในดงป่าจึงยึดอาชีพเผา่านและนางกวักของท่านมีชื่อเสียงมากว่าไปนางปักของหลวงพ่ออิ่มน่าจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ส่วนพระลําพูนดําของท่านมีชื่อมานานดีเด่นทั้งเมตตาเจรจาค้าขายเป็นยอดท่านว่าหากบูชาติดตัวตั้งใจทำมาหากินไม่คอยวาสนา ต่อไปจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีลืมตาอ้าปากได้พระลำพูนดำของหลวงพ่ออิ่มท่านสร้างจากผงใบลานเผานำมาผสมกับผงจินดามบนีเนื้อพระค่อนข้างแข่งท่านปลูกเสกด้วยมนต์สำคัญทางเจริญโชคลาภเสริมวาสนาบา ร, รมีชื่อมนต์จินดามณีพระลำพูนดำนี้หลวงพ่อเกวยท่านก็สร้างด้วยเช่นกันโดยนำพระกองหลวงพ่ออิ่มมาถอดพิมพ์เนื้อพระแข่งมีสีดำเช่นกันตากันเพียงพระกองหลวงพ่ออิ่มมีสอดแผ่นทองแดงด้านล่างองค์พระ ส่วนพระของหลวงพ่อเก๋วยไม่มีแผ่นทองแดงสอดการปลุกเสกข้่พเาท่านคงปลุกเสกด้วยมนต์จินดามเีจะเป็นของดีที่หลายคนยังไม่รู้ทั้งยังมีพ่ายานพุทธนิเมิตหลวงพ่อเก๋วยท่านสร้างตามตำราหลวงพ่ออิ่มอีกด้วยเมฆครูวัดหัวเขาหลวงพ่ออิ่มท่านนี้ยังเป็นพระหมอรักษาผู้คนด้วยท่านมีสิทธิ์ทั้งพระสงฆ์และคารวะที่เดินทางมาเรียนวิชาแพทย์ผืนบ้านจากท่านวิชาแพทย์แผ่นโบราณต้องใช้ทั้งยาสมุนไพรและอาคมควบคู่กัน ฉะนั้นมีดหมอหรือมีดครูจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้เรียนแพทย์พื้นบ้านในช่วงเวลาที่หลวงพ่อกวยมาเรียนกับหลวงพ่ออิ่มนั้นท่านจะลาภาพแล้วหลวงพ่ออิ่มท่านปรารถขึ้นว่าท่านต้องการสร้างมีดหมอหรือมีดครูเพื่อแจกกสิทธ์ใกล้ชิดสืบเนื่องจากเหตุการณ์คราวหนึ่งหลวงพ่ออิ่มกับสิทธ์ได้เผชิญกับงูยักษ์ผีสิงงูนี้ว่ากันว่าตัวใหญ่มากอาวุธอะไรก็ไม่ระคายผิวมันก่อนเดินทางเข้าป่าหลวงพ่ออิ่มท่านปลุกเสกดาบอาคมให้สิทธ์ไว้คุ้มตัว มื่ถูกจู่จมจากงูยักษ์ผีสิงในระยะจวนตัวด้วยความตกใจสิทธท่านจึงได้ใช้ดาบอาคมฟันงูยักษ์เพื่อป้องกันตัวปรากฏว่างูผีสิงพ่ายแพ้ตัวดาบอาคมของหลวงพ่ออิ่มถูกฟันทีเดียวหัวขาด ก, กระเด็นสิ้นฤทธิ์ราบคาบทันทีทั้งที่ก่อนหน้านี้ใครพบเจอเ จ, อเจ้างูยักษ์ตัวนี้เป็นต้องหนีกระเจิงไม่ว่าปืนหรือมีดจะไม่อาจเรียกเลือดจากผิวมันได้เลยมีดอาคมหลวงพ่ออิ่มเล่มที่ฟันงูยักษ์ผีสิงนี้ ภายหลังทราบว่าท่านได้มอบพิยมพ่อกองหลวงพ่อจวนวัดไก่เตี้ยเป็นผู้ครอบครองจากเหตุการณ์ข้างต้นสิทธิ์จึงทราบว่าหลวงพ่ออิ่มเสกเม็ดอาคมได้ขลังนักจึงขอให้ท่านสร้างเม็ดอาถรรพ์เป็นเม็ดครูประจําตัวหลวงพ่ออิ่มท่านจึงสร้างมีดครูขึ้นจากโลหะอาถรรพ์ตามตำราต้องตั้งมณทนพิธีเป็นอนาเขตป้องกันสิ่งไม่ดีโดยมีท่านคอยควบคุมตลอดพิธีกรรมทุกครั้งที่ทําการตีเม็ดท่านต้องไหว้ครูเชิญครูทุกครั้งหลวงพ่อกล้วยท่านเป็นผู้ตีเม็ดอาคมนี้ขึ้นด้วยตนเอง ในขณะตีมีดต้องภาวนาคาถากำกับปลุกเสกไปตลอดเวลาเมื่อตีมีดขึ้นรูปต้องแช่มีดลงในน้ำมนผสมว่านยาสมุนไพรได้มีดอาคมไม่เกินสิบเล่มโดยด้ามมีดได้ไปจ้างช่างทางพยุหะเครีแกะสลักให้มีทั้งด้ามไม้และด้ามงาแกะก็มีด้ามมีดชุดนี้แกะได้สวยวิจิตมากดูเข้มขลังคล้ายมีจิตวิญญาณทราบว่ามีดอาคมชุดนี้มีทั้งที่แกะเป็นรูปพระพิกฆเนศเป็นท้าเวสุวรรณเป็นพ่อแกะฤาษีก็มี ส่วนฝักมีดผู้เป็นเจ้าของต้องไปทำกันเองถ้าที่พบมาฝักมีดจึงแตกต่างกันไปมีดครูวัดหัวเขานี้เป็นของดีวิเศษใบมีดตีขึ้นโดยหลวงพ่อกวยจอมอาคมผู้เป็นเซ์และประจวบ ป, ปลูกเสกโดยหลวงพ่ออิ่มป ร, รมามจารผู้มีพลังจิตแก่กล้าถือเป็นของวิเศษที่ได้รับพลังจากสองคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นของวิเศษคู่โลกคู่แผ่นดินที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันผู้เขียนได้พบเห็นมีดครูหลวงพ่ออิ่มเล่มแรกราวปีพุทธศักราช2532 เป็นมีดของท่านอาจารย์สมจิตเทียนจันทร์เป็นมีดที่งดงามมากต้านไม้แก่เป็นรูปพระพิกเนศท่านว่าเจ้าของเดิมเป็นหมอยาเป็นศิษย์หลวงพ่ออิมภายหลังท่านเสียชีวิตลงลูกหลานบูชามีดเล่มนี้ไว้ที่หิ้งพระเหยาตั้งเอาทางด้ามขึ้นเอาปลายมีดปักลงบูชาคู่กับตำรายาโบราณลูกหลานเล่า ว, ว่าวันดีคืนดีมีครูเล่มนี้ปรากฏแสงสีแดงพุ่งออกจากดวงตาพระพิกเนศจึงพากันกลัวไม่อยากเก็บเอาไว้ต่อไปภายหลังมีดเล่มนี้ ทราบว่ามีผู้ขอบูชาต่อจากอาจารย์สมเจตเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์มีดหมออีกเล่มเป็นด้ามงาแกะสลักรูปเทวสุวรรณเจ้าของเดินเป็นศิษย์เรียนทางหมอยาพื้นบ้านจากหลวงพ่ออิ่มภายหลังเจ้าของเสียชีวิตมีดหมอเล่มนี้ได้ตกไปอยู่กับพระอาจารย์รูปหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันมีครูด้ามไม้ของหลวงพ่ออิ่มมีอยู่กับนักสะสมวัตถุมงคลท่านหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเอาล่ะครับคลิปนี้ขอจบลงแค่3ท่านก่อนนะครับ อาจารย์ขลุมพวกกวยตามที่เป็นเทึกไว้มีอยู่14ท่านครับคลิปหน้าเรามาตามกันต่อนะครับกับคนขลังกลังวิชาของคุณไตรพนา่าสมบูรณ์ขอทุกท่านมีความสุขการรับฟังนะครับวันนี้วันพระอย่าลืมสำรวจจิตสำรวจใจตัวเองนะครับมีคำดีๆมาฝากเช่นเดิมครับมีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจานวนทรายคนทั้งหลายก็นับไม่ถ้วนในคุณค่าทายจะแกร่งก็เพราะผ่านการเวลา คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทนกล้าในที่นี้หมายถึงแกร่งกล้าแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมดุสติปัญญายในการดํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ